การปฏิบัติในสมาธิภาวนาต้องทำติดต่อเนื่องให้สม่ำเสมอเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เริ่มฝึกฝนใหม่ๆเพราะจิตยังไม่เคยชินจึงต้องอาศัยการปฏบบิบัติบ่อยๆมากๆ ให้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าสมาธินั้นจะเกิดหรือไม่เกิดมุ่งการปฏิบัติเป็นใหญ่เป็นข้อสำคัญอีกประการหนึ่งความปล่อยวางอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน คือถ้าหาว่าจิตติดอยู่กับอารมณ์อะไรอันหนึ่งถึงแม้จะมีสติบังคับให้นึกว่าพุโทโธหรือให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะทำได้เพียงเหลียวเดียวเหมือนลูกโคถึงแม้จะเอาเชือกผูก บังคับให้มันตามเรามาแต่มันก็จะร้องและหันมองแม่โคถ้าเชื่อหลุดเมื่อไหร่มันก็จะวิ่งไปหาแม่โคฉันใดจิตที่ติดอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งอันใดสละออกไม่หมดล้างไม่หมดปล่อยวางไม่หมดปรงไม่หมด อารมณ์นั้นก็จะค้างอยู่ในจิตมากบ้างน้อยบ้างครั้นเมื่อภาวนาไปเวลาส ต, ติอ่อนก็จะทำให้อารมณ์ที่ค้างนั้นเกิดความระลึกถึงขึ้นเช่นเดียวกับลูกโคแม่โคการปล่อยวางอารมณ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติและเป็นวิธีทางที่เหมาะสมกับความเป็นไปของนักบวชนักบวชหมายถึงผู้ที่สละแล้วคือสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรเมื่อออกบวชแล้วย่อมสละได้ ความทุกยากเหนื่อยยากความที่ถูกใจไม่ถูกใจหรืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามต้องปล่อยวางปกติธรรมนาของคนเราไม่อยากเจออุปสรรคความขัดข้องด้วยประการต่างๆ แต่ไม่มีใครที่จะพ้นอุปสรรคต่างๆได้เช่นไม่ชอบใจบุคคลไม่ชอบใจคำพูดไม่ชอบใจกิริยาไม่ชอบสิ่งของและอื่นๆอีกมากคนเราที่ชอบก็มากที่ไม่ชอบก็มากเพราะฉะนั้นจะอยู่ในที่ใดก็ตาม ยอมเจอทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบและสิ่งที่ชอบและไม่ชอบทั้งสองประการนี้จะเป็นอารมณ์อยู่ในใจจะทำให้เกิดความทำนึกเข้ากับตัวเองอย่างนั้นเราก็ทำถูกนั่นเราก็พูดถูกแต่ ผู้อื่นทําผู้อื่นพูดจะเห็นเมื่อไม่ตรงกับความเห็นของเราก็จะมองว่าไม่ถูกเหล่านี้ร้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ทั้งสิ้นอารมณ์เหล่านี้หนึ่งเป็นมานคอยล้างผานคุณงามความดีที่มีอยู่แล้วในจิตของตนให้เสื่อมไปสองเป็นมาน คอยฝางกั้นความดีที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นสามเป็นมารคอยส่งเสริมอภิสุสนหรือสิ่งที่ไม่ชอบธรรมที่มีอยู่แล้วให้เจริญเติบโตขึ้นสี่เป็นมานคอยตามลังฟาลตามล้างผ่าน ทางล้าจิตใจให้ยินดีในสภาพตกต่ำหรือยินดีตามอารมณ์ของโลกิยะป้องกันไม่ให้จิตอยู่ในระดับสูงของโลกุตระหรือความพ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าบวชแล้วไม่ปล่อยวาง จะพบอยู่กับมารเหล่านี้มารก็จะมาเสียมสอนใจให้รู้สึกรักสิ่งนั้นเกลียดสิ่งนี้ชอบสิ่งนั้นไม่ชอบอย่างนี้และแปลสภาพตกเป็นทาสของมารฉะนั้นเมื่อตกเป็นทาสของมารแล้วก็หงุดหงิดใจน้อยบ้างโกรธง่ายบ้าง อารมณ์ไม่สงบเหล่านี้เป็นต้นสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเผยแผ่พร ะ, พระาศาสนาอยู่มีพิสุรูปหนึ่งบวชขึ้นแล้วมีลักษณะดังกล่าวมานี้แล้วก็หงุดหงิดในทางจิตใจ ไปอยู่กับพระอาจารย์องค์ไหนก็บ่นว่าพระอาจารย์องค์นั้นจู้จี้จุกจิตอยู่วัด น, นั้นก็ไม่สงบอยู่วัด น, นี้ก็ไม่สงบไปอยู่กับพระอานุนก็ว่าพระอานุนจู้จี้จุกจิตไปอยู่กับพระโมคลาระนะก็บอกว่าพระโมฆลาระก็จู้จี้จุกจิต ไปอยู่กับพระสารีบุตรก็ว่าพระสารีบุตรเป็นคนจู้ที่จุกจิกยุ้มหยิมไปอยู่กับพระมหากัะสปะก็ไม่พอใจเมื่อไม่พอใจก็ที่ไหนที่ไหนมันก็เล่าร้อนมันหมดวัดนี้ก็ไม่พอใจวัดนู้นก็ไม่พอใจวัดในเมืองก็ไม่พอใจวัดในป่า ก, ก็ไม่พอใจก็อยากศึก พระศาสดาทรงทราบถามว่าเพราะเหตุไรจรึงอยากศึกก็เล่าอาการให้ฟังทูลถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากทรงสอนว่าถ้าพระอาจารย์เหล่านั้นสอนมากสอนหม่หลายอย่างจดจำไม่ไหวเราจะสอนเพียงอย่างเดียว ให้ไปปฏิบัติได้หรือไม่ครับพิสุรูปนั้นก็รับว่าได้ก็สอนให้ปฏิบัติในการจิตในการคุมจิตรักษาจิตปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงรักษาจิตให้สงบเพียงเท่านี้พิสุนั้น ได้ไปทำการละปล่อยวางดังกล่าวถูกวิธีทางก็ทำให้ใจสงบกจรวมเย็นขึ้นแล้วก็จเจริญสมาธิจเจริญวิปัสสนามารู้ถึงซึ่งความพ้นจากกิเลสทั้งปวงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ฉลาด ในการปล่อยวางอารมณ์จึงเป็นสาระที่สำคัญในการปฏิบัติทางจิตหลักที่สำคัญในการปล่อยวางก็ต้องยึดถือไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนาัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงความไม่อยู่กับที่ ความเปลี่ยนแปลงไปเหมือนร่างกายของคนเราที่เกิดมาแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปผ่านไปร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปโดยใจความที่ท่านกาหนดไวจากทารกเป็นเด็กเล็กจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่ จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มสาวจากหนุ่มสาวเป็นกลางคนจากกลางคนเป็นคนแก่จากคนแก่เป็นคนเฒ่าคือแก่งอมแล้วก็สลายไปจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรแม้แต่ร่างกายนี้ซึ่ง ในรับการดูแลบริโภคอาหารทุกๆวันไม่ให้ขาดอาหารเลยก็ยังต้องเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ที่และเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาอากาศวิปริตร้อนไปมากหนาวไปมากก็ยังมีเครื่องกำบัง คอยแก้ไขไม่ให้สรีรละร่างกายนี้ต้องกลดากรรมมากเกินไปแต่ก็ยังไม่พ้นจากความเปลี่ยนแปลงภูเขาต้นไม้เราจะเห็นได้ว่าแดดร้อนมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปปกป้อง หรือฝนตกหน้าหนาวมันก็ไม่มีอะไรไปครอบไปคลุมตาแดดตาฝนตาลมหนาวอยู่ตะปีสีสาชาติมันมีความเสื่อมไปเราก็เห็นชัดและก็เห็นใจว่ามันต้องเสื่อมไปเพราะไม่มีอะไรที่จะปกป้องมันเลยจนในที่สุดก็ต้องผุพัง ถลมทลายเหมือนกันแต่ชีวิตนี้ได้รับการคุ้มครองปกป้องส่งเสริมสนับสนุนด้วยอาหารด้วยสิ่งต่างๆเป็นอันมากแต่ไม่สามารถจะยับยัง้งความเป็นอนิจจังคือความเปลี่ยนแปลงได้เลยไม่ว่าสรีระร่างกายนั้น จะอยู่ในฐานะเช่นใดอยู่ในวั น, นะใดร่อมเปลี่ยนแปลงเหมือนกระหมดไม่มีใครมีอภิสิทธิ์ว่าร่างกายของฉันไม่เป็นอนิจจังไม่เหมือนคนนั้นคนนี้ร่างกายเป็นอนิจจังไม่มีใครเป็นได้ดังกล่าวนี้เลยมนุษย์โลกที่เกิดมาแล้ว ตั้งแต่คนแรกที่เป็นมนุษย์จนถึงในปัจจุบันยังไม่มีใครทรงอยู่ได้เลยเป็นอนิจจังหมดและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงกับกันและกับอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ไม่มีใครที่จะต้านทานให้เป็นนิจจังได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นอนิจจงชีวิตนี้ก็เป็นอนิจจงสารีระร่างกายนี้ก็เป็นอนิจจงตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์เป็นเทพเป็นพรมก็เป็นอนิจจงกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกโลกนี้ก็ยังไม่ทิ้งอนิจจง สภาพเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจะอยู่บนฟ้าอยู่ใต้มหาสมุทรอยู่ในถ้ำหลบปลีกไปชี่ใดที่หนึ่งไม่พ้นจากความเป็นอนิจจังไม่พ้นจากความตายสภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เมื่อสภาพขความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไร ที่เราว่าชอบอะไรที่เราไม่ชอบที่ผูกพันติดลึกแน่นอยู่ในจิตใจนั้นให้พยายามมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอนิจจังปล่อยวางอารมณ์นั่นเสียพยายามฝึกหัดปล่อยวางอารมณ์อย่ายึดถืออารมณ์นั้นไว้ เพราะตราบดใดที่เรายึดถืออารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังเราก็ยิ่งไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่สามารถจะพบอมตะธรรมธรรมที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นอันขาดถ้ายึดถืออารมณ์นั้นไว้จุดตรงนี้เองที่พระผู้มีพระพ่าเจ้าตรงจัดว่า ใครใครก็ช่วยใครกันไม่ได้ตถาคตเป็นแต่เพียงบอกทางใหรรู้จักดำเนินเอาเองจิตของบุคคลใดติดอยู่กับอะไรยึดอยู่กับอะไรชอบอย่างไหนเกียดอย่างไหนผู้นั้นย่อมรู้ตัวของตัวเองพึงดูสิ่งที่ชอบและไม่ชอบที่เป็นเหตุทำให้จิตใจหงุดหงิด และมองสิ่งนั้นให้เห็นเป็นอนิจจังเสียพยาฝึกให้เห็นเป็นอนิจจังให้ได้ถ้าฝึกจุดนั้นให้เห็นเป็นอนิจจังโดยท่องแท้แล้วคว า, ามยึดถือจะหายไปทันทีเมื่อคว า, ามยึดถือหายไปท่านจะพบคว า, ามสุขคว า, ามสงบและรู้ตามคว า, ามเป็นจริง เพราะฉะนั้นการที่จิตปล่อยวางไม่หมดจึงเป็นอารมณ์ให้เกิดความผูกพันไม่สงบตามความปรารถนาจะเจริญสมาธิสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นจเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาก็ไม่เกิดขึ้น และแถมยิ่งร้ายไปกว่านั้นอยู่กับเพื่อนก็ไม่พอใจเพื่อนอยู่กับญาติพี่น้องก็ไม่พอใจญาติพี่น้องอยู่กับใครๆก็ไม่ดีไปหมดแท้ที่จริงคือใจของเราเองไม่ดีคือไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักสภาพแห่งความเป็นจริง นี่คือเป็นมานที่จะทำให้ใจของเราไม่สงบดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่บวชในภาษาศาสนาตั้งแต่บวชมาต้องรู้ตัวทันทีว่าจะต้องปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสาภาพเป็นอย่างนี้ คนอื่นเขาชมคำชมนั้นถ้ามันไม่จริงมันจะเป็นความดีได้อย่างไรคนอื่นที่เขาติถ้าเขาติไม่ถูกทำดีแล้วจะให้ดีเป็นสิ่งที่ไม่ถูกได้อย่างไรสภาพเป็นจริงอย่างไรย่อมเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นติและชมไม่ต้องคำนึงถึงถ้าไปติดอยู่ติและชม แต่พอใจในคําชมไม่พอใจในคาติก็ติดอยู่ในอนิจจังผู้ที่ปฏิบัติธรรมในทางการทำใจให้สงบจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้มากๆเรียกว่าให้แยบคายพิจารณาได้แยบคลายคือละเอียดละ อ, อ่ทีท่วนจิตยอมรับก็จับปรงอารมณ์ต่างๆนั้นได้ เมื่อปรงอารมณ์ต่างๆนั้นได้ใจก็สงบอันหนึ่งการปรงอารมณ์ต่างๆนั้นบางทีต้องอาศัยแะรียระร่างกายคือตาดูด้วยเมื่ออย่างเราจะพิจารณาร่างกายของตนและคนอื่นให้เห็นเป็นโครงกระดูกเป็นซากศพเราก็ต้องพยายาม หาดูสราสบศพเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่มีสรากศพก็ดูรูปตามที่เขาเขียนไว้ที่ถ่ายไว้ก็ได้แล้วก็จารูปเช่นรูปโครงกระดูกที่เขาถ่ายไว้เขาเขียนไว้แล้วก็มาพิจารณากายตัวเองแขนเราก็เป็นอย่างนั้นมีกระดูกตรงนั้นขาเราก็มีกระดูกอย่างนั้นที่โครงเราก็เป็นอย่างนั้น เมื่อตาได้เห็นดังนี้แล้วใช้ปัญญาพิจารณาตามคำสอนสองส่วนเข้าเข้าช่วยกันก็จะทำให้เกิดความเห็นชัดขึ้นง่ายขึ้นและเป็นหนทางแห่งความสงบง่ายขึ้นการปฏิบัติต่อเนื่องการปล่อยวางอารมณ์ทางสองประการนี้ ยึงเป็นปฏิปทาเบื้องต้นของการปฏิบัติในการทำให้ใจสงบเมื่อได้ปรงไม่ปล่อยวางดีแล้วประการที่สามพึงทำใจให้เบาหายใจเข้าออกเบาๆทำกายให้เบาๆนั่งตัวให้ตรงดำรงส ต, ติให้ตั้งมัน่นรวมหายใจเข้าออกให้เบา ทำใจให้เบารู้ตัวอยู่ว่าเบารักษาความเบาหายใจเข้าเบาเบาหายใจออกเบาเบารู้อยู่ที่จิตจิตนึกว่าพุทธโธพุทธโธก็รู้อยู่นึกเบาเบาหรือเมื่อจิตอยู่กับความเบาดีดแล้วไม่ต้องนึกจิตกับเบาและนิ่งอยู่ไม่ต้องนึกว่าพุทธโธ ดูความนิ่งของจิตดูความเบาของจิตอยู่ที่เดียวกันรักษาอารมณ์คือความเบานั้นไว้ให้นานๆจิตจะค่อยประนีตขึ้นปรนีตขึ้นและชำนานขึ้นจุดตรงนี้เป็นจุดตรงที่จะทำให้จิตเป็นสมาธิไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายการปฏิบัติต่อเนื่อง การปล่อยวางการทําจิตให้เบาตั้งใจภาวนาไว้ด้วยความมีสติอย่าพลังอย่าเผลอรักษาความเบานั้นไว้ยูดุดวิจิตไม่ช้าไม่นานความสงบก็จะเกิดขึ้นถ้าทําได้อย่างนี้ย่อมเกิดได้ทุกครั้งแต่จะเกิดได้นานหรือไม่นานนะั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสติปัญญาและการปล่อยวางเพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไป ทรงตั้งใจปฏิบัติดังกล่าวมาเพื่อออบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาต่อไป